มัดนี้ก็ถึงดูการออกพรรษาแล้วยังพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันออกพรรษาปวารณาเราผู้มีศรัทธาทั้งพระทั้งเนรทั้งเมชีก็ได้พากันมานุ่งขาวห่มขา ว, ขาวรักษาศีลอุปเ พระก็รักษาสินสองร้อยี่สิบเจ็ดามาเนนก็รักษาสินสิบก็คอยพากันทบทวนดูว่าการที่เราบวชเขามารักษาสินดังกล่าวนั้นนะตลอดพรรษานั้นสินเราบริสุทธิ์อยู่ไหม หรือว่ามันขาดมันดังเพราะอย่างไรบ้างให้ประมวลมาดมูเมื่อเยองขาดตกบกห้องอะไรอยู่กว่าชำระสาสางซะวันนี้ก็เป็นเวรพรุงวันพรุง่นรงนี้ ก็จะวินวันออกพรรษาปรวรนาวันปารนาก็คือวันอุโบสถนั่นเองแต่ท่านใช้คำภปวนาแทนอุโบสถอ่าไม่มีการสวดปาติโมกแล้วก็มีการปารนาซึ่งกันและกัน บรรดาที่เรามาบวชอยู่ร่วมกันหากได้เห็นความบกพริอะไรของกันและกันไม่ดีไม่งามอย่างไรแล้วก็ขอตักเตือนได้คำโบรณาณนั่นนะเราจะไม่ถือตัวถือตนยอมให้เพื่อนภิกษุสามเณรตักเตือนได้แม้แต่เป็นสามเนถ้าเขา เป็นคนดีเขาเห็นความมุพท์อของเราบุกคล้องเขาว่ากล่าวตาักเตือนเราก็ควรฟังไม่ควรจะไปถือเนื้อถือตัวว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้น้อยจะมาสั่งสอนนี่ไม่สมควรอย่างน้นอย่างนี้แล้วก็โกรธไม่ถูกต้อง ทางที่ดีแล้วเราต้องยอมมดธรรมเนตน้อยถักเทือนเราก็้ังถ้ามันผิดจากที่เขาว่านั้นเราก็ยอมละทิ้งไปซะมันก็เป็นเสนมันก็เป็นในสมบัติอันดีแล้วเกินนะมีผู้มาชี้ขุมทรัพย์อันดีให้สิ่งใดที่ไม่ดีเราก็จะได้สละมันออกไป เราเอาแต่ความดีเท่านั้นนะอืมความชั่วเราไม่เอาเพราะฉะนั้นเมื่อใครมาชี้ว่าคุณทําชั่วอย่างนี้นะแต่นี้ถ้าเราพี่นาตัวเองเอาชั่วจริงแล้วก็ยอมยอมละไม่ยอมทะเลาะวิวาดกับผููบอบพันควรจะยกมืออนุโมทนากับเขาแสดงความขอบคุณดกขอบคุณเขา ถ้าที่เขาชี้ความบกพร่องให้เราถ้าหากว่าเราพิจารณาดูแล้วเห็นว่าตัวเราไม่ผิดเขาอาจจะมองเราเข้าผิดไปเขาจะเห็นเราในแง่ใดแง่หนึง่แงแี่ความไม่พอใจแล้วก็ปั้นเรื่องขึ้นยกโทษเอาก็มีบางคนนะ ชอบอิจฉาและสยาผู้อื่นมูุคลเช่นนั้นเราคนดีควรก็ให้อภัยถ้าเราไม่ให้อภัยเราตอบโต้ไปเราก็ชั่วเหมือนกันไม่มีดีนี่ให้เข้าใจพระพุทธเจ้าทรงสอนอสาทงสาทุนาชิเนเพื่อเอาชนะความไม่ดี ของเขาด้วยการทำดีตอบคติในทางพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นะให้พอกันจำไว้ไม่เหมือนอย่างทางโลกทางโลกเขานั่นถ้าใครทามาทำไม่ดีพูดไม่ดีตอ่อก็ต้องสอนให้ทำไม่ดีพูดไม่ดีตอบโต้กันไป เราจะไปยอมให้เขาเหยียบย่ำฝ่ายเดียวไม่ได้เราก็มีศักดิ์ศรีเป็นมนุษย์คนหนึ่งอันนี้เป็นกิเลส ข, ของมนุษย์ประจำตัวมาแต่อนเนกชาตในเมื่อมนุษย์ยังไม่บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วยังละไม่ได้กิเลสเหล่านี้นะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมนุษย์มันถึงได้ทะเลาะวิก ว, วาทกัน ไม่หยุดไม่โย่อนกับเพราะเหตุนี้เองอดังนั้นเราผู้เป็นนักบวดผู้มาประพฤติ ธ, ธรรมเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ถือสาหาความใครจะว่าอะไรเราก็อดทนอดกั้นเอาแล้วก็ว่างเฉยไม่ตอบโต้นั่นเป็นชัยชนะอย่าง เป็นธรรมพระพุทธเจ้าสอนให้เอาให้เอาชนะความไม่ดีของเขาด้วยการทำดีตอบเอาชนะกันแบบนี้ในทางมุทธศาสนานะไม่ใช่เราจะไปเอาไปตามกระแสของโลกเขาไม่ถูกต้องอโลกของเขามันเป็นอยู่นั้นเหตุ น, นะะั้นเขาจึงได้เบียดเบียนกัน ฆ่ากันตายทุกวนันทุกวนันไม่แห่งหนึ่งก็แห่งหนึ่งเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราเป็นนักบวชนี่เราเห็นโทษแห่งการเบียดเบียนกันข่าวของคนหมู่มากที่อยู่ร่วมกันดังนั้นเราจึงปลีกตัวออกมาจากบุคคลอันธพาลต่าง พวกเบียดเบียนกันอะไรกันเราไม่เล่นด้วยไม่สู้เรื่ น, นี้ออกมาบวชอยู่ในชมรมของนักบวชผู้ไม่เบียดเบียนกันอืมนี่ก็าให้เข้าใจความหมายนะนี่แหละความหมายของการที่เข้ามาบวชเพื่อเว้นจากการเบียดเบียนกันและกันคนที่เข้ามาบวชในรั้วแต่เป็นผู้เบื่อนหน่ายเห็นโทษแห่งความเบียดเบียน หมายความว่าอย่างนั้นเราจะเข้ามาบวชแล้วไม่ต้องการสร้างกรรมสร้างเวรกับใครแต่ถ้าบวชเข้ามาแล้วยังไม่อดไม่ทนต่อความกระทบกระทั่งยังแสดงกิเลสโมโหโทโส อ, อะไรอยู่เช่นนี้กิเลสมันก็ไม่เบาบางจากกิจใจ เนื่องจากการบวชนั้นเลยเป็นครือขัดกิเลสอ น, นั้นก็มีอยู่บวชเข้ามาแล้วก็ยังมีอยู่ยังสะสมมันไวเช่นนี้การบวชนั้นก็ไม่ได้รับอานิสงส์มากมายได้รับอานิสงส์น้อยอืดังนั้นเมื่อเราเป็นนักบวชต้หวังอานิสงส์อันยิ่งใหญ่คือความบริสุทธิ์ใจความพ้นทุกข์ในสงสาร ดังนั้นใครจะมาพานท ะ, ละเลาะโบว์แองเราไม่เอาทั้งนั้นเลยไม่เอาเมื่อเราไม่เอาแล้วใครจะมาทะเลาะเลยไม่มีเช่นอย่ากเขาด่ามาเราไม่ด่าต่อแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปเท่านั้นเองอันนี้มันเป็นเรื่องส ก, กายะทิฐิ ความเห็นว่ากายเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นเราเป็นเขามูลเหตุใหญ่รากเหง้าของมันอยู่ตรงนี้เองนะความสำคัญว่าขันหามีในตนต น, ตนมีในขันหา้าอย่านี้เคยเทศไทยฟังอยู่บ่อยอยู่แล้วเนี่ยอันนี้แนี่เป็นมูลเหตุให้คนทะเลาะวิวาทกันโกรธกันเกลียดกันมันคาอยู่ลูกนี้ เดินข้ามภูเขาลูกนี้ไม่พ้นเลยอืมเป็นอย่างนั้นดังนั้นจงพยายามเดินข้ามภูเขาลูกนี้ให้พ้นอย่าไปท้อถอยมันไม่เหลือวิสัยพระพุทธเจ้าจึงได้สอนถ้ามันเหลือวิสัย่บุคคลไม่สามารถจะรู้ได้พระองค์จะไม่นํามาสั่งสอนเลยเพราะว่ากายได้มีอยู่แท้แท ทำไมจึงจะไม่มองเห็นแม้แต่ตาหนังเราก็ยังมองเห็น น, นั่นเองมองตาหนังก็มองเห็นร่างกายนี่มีแต่สุดททมลงไปเรื่อยๆไม่มีทางมันจะดีขึ้นมันจะสวยจะงามขึ้นไปไม่มีเลยวันคืนปีเดือนล่วงไปท่วงไปเท่าไหร่ ร่างกายนี้ก็ทุดโทมไปเท่านั้นเท่านั้นมันก็ยังเป็นงปังอยู่แต่อายุยังเยาว์ยังหนุ่มยังสาวขนาดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบถึงยี่สิบห้าปีระยะนี้แหละก็ยังหนุ่มกระสุ่มกระซวยอยู่ผ่นพอเลยนั้นไปถึงสามสิบสี่สิบปีไปแล้ว ลูกโถมโนมพันร่างกายอาวัยวะวางส่วนก็หย่นยานลงไป อ, อะไรอะไรก็ผิดปกติไปบ้างแล้วแต่ไม่มากอะไรคันยานก็ไปห้าสิบกสิบไปแล้วเอาแล้วร่างกายส่วนไหนก็นสำรู้สุดโทมไปมดังที่ทุกคนก็ยอมรู้ตัวเองมองดูตัวเองให้เห็น มันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่คงที่ที่ไหนอะไอะการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยสำคัญมากให้พากันปฏิบัติพิจารณาบ่อยๆเมื่อพิจารณาบ่อยๆก็จะเกิดนิพิทากวามเบื่อหน่ายขึ้นมาโดยเฉพาะผู้ที่ยังเยา ว, ว์วัยอายุยังหนุ่มยังน้อยอันนี้เนี่ย มักจะหลงสำคัญว่าตนสวยตนงามอยู่เสมอเสมอไปเป็นอย่างนั้นดังนั้นไอ้กิเลสตัวนี้เราเราต้องระวัดระวังเต็มที่เลยอย่าปรุงอย่าแต่งมันขึ้นในใจกระจิตนี่นยะเป็นผู้สำคัญผิดอ่ะดูผิวพรรณวันหนะดูร่างกายสด สวดทงก็ไปแล้วเราเนี่ยมันสวยงามหน่าขื่นสมยินดีและเข้าใจว่าผู้อื่นมองเห็นเราก็จะรักใคร่เอ็นพอใจในรูปโฉมอันนี้อันนี้ความคิดอย่างนี้นะอย่าให้มันมีความเป็นนักบวชนะต้องระ ง, งับต้องมีสติ เพราะมันไม่เป็นความจริงมันสวยมันงามก็แต่ผิวนอกดังที่เคยพูดได้ฟังบ่อยๆหรือไม่เป็นความจริงเนี่ยลองวิสูดดูสิ น, นันก็มีแต่ผิวหนังข้างนอกนี่แหละหุ้มอยู่มันก็ยังพอดูกันได้รูปร่างกายอันนี้นะถ้าลอกหนังนี่ออกแล้ว เอ้ยเอาให้พอๆใครก็ไม่เอาไม่ว่าแต่ขายแหละเอาให้พอๆก็ไม่เอาอืมมันเป็นอย่างนั้นความหลงของคนเรามีนิดเดียวเท่านั้นแหะถ้ามารู้อย่างว่า น, นี่นะโอ้ใครจะไปหลงไหล ย, ยินดีในโลกในกายเนี้ยเพราะว่ากายนี้ถึงมีหนังหุ้มอยู่ แต่แล้วเมื่อทําการทํางานอะไรไปเงื้อไหลออกมาตามขุมขนนี่อ่ามาติดแปะเปะะเเปปื่อนอยู่ในหนังนี่แล้วก็เปื่อนไปถึงผ้านุ่งผ้าห่มเข้าไปแล้วถ้าหากว่าไม่ซักไม่ล้างทิ้งไว้วันสองวันทําวันก็ส่งกิ่นแล้วมีกินไม่ดีมาโดนจมูกเข้าไปแล้วอืม ก็ น, นี่เห็นได้ชัดๆอยู่แล้วนะนะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติตามคำสองพุทธเจ้าเรียกในสติปัฏฐานสี่เยนะสติกำหนดพิจารณากาย อ, อ่เป็นอารมณ์ว่ากายนี่ก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกกายานบัฒนาสติปัฏฐาน กับพระองค์สอนอย่างนี้กับความมุ่งหมายเพื่อให้มีสติกาหนดดูร่างกายนี่ความเคลื่อนไหวของร่างกายนี่อยู่เสมอไป ม, มันเป็นอย่างไรมันเคลื่อนไหวแล้วมันเป็นอย่างไรอาการของร่างกายเป็นอย่างไรอย่างที่ว่าไอคลองมาแล้วนั่นแนะ ม, มันก็เป็นความจริงอย่างนั้นแหละ ล้วลอกหนังนีนออกแล้วมันก็มีแต่น้าเลือดน้ำน้องน้าเลืองไหลเ ย, ยิม้มทั่วร่างกายนี่ในท้องอันเป็นที่อาศัยเป็นที่อยู่ของอวัยวะต่างๆเป็นหัวใจเป็นตับเป็นไตเป็นปอดเป็นไส้น้ยไส้ใหญ่อะไรต่างๆที่อาศัยอยู่ในโครง มีที่โคงหุ้มอยู่เรานี่นะล้วนแต่เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกทั้งนั้นเลยอาศัยหนังหุ้มอยู่ที่เศษดอกเราจึงมองไม่เห็นสิ่งโสโครกในร่างกายอันนี้ย่าทั้งไม่เที่ยงไม่ยั ง, งยืนอีกด้วย เมื่อสิ้นลมหายใจแล้วจิตวิญญาณออกจากร่างนี้ไปแล้วทิ้งไว้บนดินสักสองสามวันก็ขึ้นอืดแล้วส่งกลิ่นแล้วมีกลิ่นเหม็นคุ้งไปแล้วอันนี้แนี่มันเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นชัดๆเลยว่า ไอ้ร่างกายนี่มันยังไม่เน่าไม่เปื่อยไม่ชงกินเหม็นก็เพาะยังมีจิตอาศัยอยู่เท่านั้นเองไจิตคลองเมื่อจิตครองอยู่นี่บุญกุศลยังมีอยู่บุญกุศลยังรักษาร่างกายอันนี้อยู่หมายเขาว่าอย่างนั้นถ้าหากว่าจิตไม่มีอยู่ในร่างกายอันนี้แล้วแสดงว่าบุญหมดแล้ว เมื่อบุญหมดแล้วร่างกายนี้ไม่มีสิ่งรักษามันก็มีแต่เน่าเปื่อยผุพังไปอ่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ่ะถ้าบุญยังมีอยู่จิตใจยังอาศัยร่างกายอันนี้อยู่ไอ้ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันก็ยังปองดองกันสามัคคีกันอยู่มันยังทําหน้าที่สามัคคีกันทําให้เกิดพลัง กำลังกายแข็งแรงเดินเหินไปมาได้อยู่กินหลับนอนได้ทำการงานอะไรได้นี่เพ่ออาศัยบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมันยังหล่อเลี้ยงอยู่มันยังรักษาร่างกายอันนี้ให้อาให้จิตได้อาศัยอยู่แต่คนส่วนมากไม่รู้ จิตมาอาศัยร่างการนี่ก็สว่าดิอาศัยอยู่ไม่คิดสร้างบุญบา ร, รมีหนีจากทุกข์ในสงสารเลย อ, อยู่เฉยอยู่สมมติว่าจนได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็เป็นคนอยู่งั้นล่ำไปไม่รู้จักว่าเราเกิดมาเป็นคนนี่ควรทำอะไรหนอจึงถูกต้องอยิ่งดี จึงเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นไม่คิดบางคนเนะป็นอย่างนั้นถ้าไม่คิดจะนั่นมันก็อยู่เรื่อยไปสนุกสานานเรื่อยไปหาอยู่หากินหาความสุขสนุกสานานชั่วคราวไปเท่านั้นเองนะอถ้าผูใ้ใดมานึกถึงตัวเองอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนาะ อา้าว่างกายนี่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเนี่ยดวงจิตได้มาใส่อยู่ก็เพราะว่าสร้างบุญบา ร, รมียังไม่เต็มยังเข้าสู่นิพพานไม่ได้ถ้ามาใสาขันห้านี้สร้างบุญบา ร, รมีไปก่อนไม่ใช่ว่าเรามาเกิดเล่นตายเล่นเฉยๆเกิดมารหาแต่ความสนุกชั่วคราว ไปเรือยๆอย่างนี้นะนี่ถ้าว่าเกิดเล่นถ้าเกิดมาแล้วนึกถึงตัวได้อย่างว่านี่ก็ทนุถนนมร่างกายอันนี้ไว้แล้วก็ทําความดีเข้าไปสร้างบุญสร้างบารมีเข้าไปผู้มีวิอิสีแกียกล้าก็ได้ออกบวชสระบ้านเลือนแก่สถานเข้าวัดวาอาราม บัวจำศิลภาวนาไปอืผู้หญิงสมัยนี้จะบวชเป็นพระก็ไม่ได้เออจะเป็นภิกษุณีก็ไม่ได้เพราะว่ามันหมดยุคหมดสมัยไปแล้วไม่มีผู้สืบต่อเหมือนอย่างภิกษุสงฆ์ภิกษุสงฆ์เนี่ยมันมีผู้สืบต่อสือบต่อกันมาตั้งแต่ครั้ง เพราะองค์บริพานแล้วใหม่ๆมานูน้นพระสงฆ์าสาวกเจ้าท่านก็ประพฤติพรมจรรย์เป็นแบบอย่างของคุณบุตรผู้มีศรัทธาออกกวดทั้งก็ปรึกเลือกันมาให้ปฏิบัติตรงตามทมตามวินัยมาเรื่อยๆมาเสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ดูเหมือนว่า ยังเหลืออยู่ประเทศไทยเท่านี้แ่ะที่ประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินัยพอสมควรนอกนั่นแล้วเท่าที่เที่ยวไปดูแล้วไม่ไม่สมบูรณ์แบบละการบวชเรื่องควาบวชไปตามความคิดความเห็นของผู้เป็นมุขผอมุขกราทานอยู่ในที่นั่นๆใ น, นประเทศนั่นๆ ผู้เป็นประมุขประธานเห็นอย่างไรก็บญญัติขึ้นไปซึ่งไม่เหมือนอย่างในประเทศไทยเราประเทศไทยนี่ใครจะบร ญ, ญัติขึ้นเกินกว่าคำสอนขอ ง, อ ง, งพระเจ้าไม่ได้ที่ประชุมไม่ยอมไม่รับรองต้องปฏิบัติไปตามพุทธบัญญัติ ต้องปฏิบัติไปตามพระธรรมที่พระองค์แสดงไว้ใครจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้เืมาะน้เนเสียแต่ผู้ที่มีนิ ส, สัยเคยล่วงอาบัติมาแล้ววางศิขษบุตรวางอย่างเมื่ออุปชาอาจารย์ตั้งแต่ต้นตระกูลนุ่น ร่วงมาแล้วลูกที่ลูกคาก็ร่วงต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละไม่สะทกระท้านกลัวบาปกรำำรมคำชมข้มันจะตามสนองให้เป็นทุกข์มีอยูอ่อย่างนี้สำหรับวางหมู่บางคณะเพื่อก็สำรวมในพระวินัยเต็มที่ ปฏิบัติให้ตรงตามทมตามวินัยแม้อบัตเล็กๆน้อยๆก็สำรวมไม่ไม่ประมาทไม่ร่วงเกินอย่างนั้นไอ้เช่นนี้นะดูมันจะมีอยู่ในประเทศไทยของเราแห่งเดียวเท่านี้แหละที่ตั้งใจปฏิบัติตามทำวินัยแม่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ร่วงเกิน และก็มีอยู่เป็นจำนวน น, น้อยเพราะฉะนั้นพวกเราได้มาอยู่ในเสนาสนัป่าเช่นนี้แล้วก็มีพระภิกษุเป็นผู้นำทางปฏิบัติไม่ล่วงศึกขาบทวินัยน้อยใหญ่สํารวมตนอยู่ด้วยดีพวกเราเป็นชีเป็นขาวก็ รีบเร่งทมความดีเข้าไปถ้าหากว่ามีพระสงค์คงพระเจ้าองค์ใดลืมตัวเผลอ ต, ตัวไปเสดจแดงกิริยามรารยาทไม่ดีต่อผู้เป็นชีเป็นขาวอย่างนี้นะก็ให้ตักเตือนกันมแม่ชีแม่ขาวก็เตือนพระได้เหมือนกัน อ้าวอย่างนี้ผิดระเบียบแล้วนะคุณเหมือนอย่าทำดีกว่าอย่าพูดดีกว่าเอเราเป็นสมณะต้องตั้งอยู่ในความสงบเราก็เตือนกันด้วยดีอย่างนั้นอย่าไปอาลุโลมปฏิโลมในทางไม่ดีต่อกัน เพาะกิเลสเนี่ถ้าหากว่าเราน้อมใจไปแล้วมันไปจริงๆเลยถ้าเราทําใจเข้มแข็งไม่ไปตามมันเหล่านี้มันก็ไปไม่ได้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นต้องทําใจเข้มแข็งว่าเรื่องนี้ไม่ดีควรละไม่ควรอ่อนโยนตามมันตั้งสติสํารวมใจให้มั่นคงแล้วกิเลสเหล่านั้นมันก็ ระงับไปเองมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจมิจะลงมือทานั่นเลยเพราะว่าอุบายธรรมะอันใดก็แนะนำหมดไปแล้วอตอนนี้ไปก็มีไต้ตั้งใจทากันถึงแม่ไม่ได้อยู่ด้วยก็ฝากคำสั่งสอนไว้แล้วนับไป้ทวน ถ้าว่าผู้หวังดีโดยตัวเองหวังแสวงหาทางพ้นภกจริงปฏิบัติตามที่ทำสั่งสอนนี่แนะนำนี่แล้วโอ้เหลือกินนะ ต, ต้องเป็นผู้สงบระงับแน่นอนนะถ้าพะมาดไม่ปฏิบัติตามแล้วกับใครก็ช่วยไม่ได้มแม้จะอยู่กับครูบาอาจารย์ใกล้ชิดอย่างไรก็ครูบาอาจารย์ก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติตาม มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมา น, นะแม้จะอยู่ใกลอุัชฌายอาจารย์ยังไงถ้าเราไม่ประมาทเราปฏิบัติตามฝึกรนอยู่ห้ามตนให้ได้อยู่อย่างนี้แล้วก็มันก็เจริญได้ในพระรมอาจารย์นี้ฮขอให้จะทําทใจลงไปให้สงบลงไปให้มันได้นี่เป็นบทบาทเบื้องต้นจริงๆการนาใจสงบนี่นะ อย่างไรก็อย่าไปยอมใจปล่อยใจพุ่งซ่านลำคาญทมให้ใจสงบให้ได้มากมากงิ่งเดียเมื่อใจสงบม า, มากแล้วมันก็มีกำลังกำลังแห่งการพิจรารณาการเจริญวิปัสสนาแยกแยะทัศสีขันธ์ห้า 4, 5, ร่างกายสังขารต่างๆให้เห็นตามสภาพความเป็นจริง มันก็รู้ได้เห็นได้เมื่อใจตั้งมั่นเข้มแข็งด้วยดีแล้วเย้าที่มันรู้ไม่ได้เพราะใจไม่ตั้งมัน่นไม่เข้มแข็งกิเลสมันมาปั่นเอาท่านี้ก็หวั่นไหวไปตามมันนั่นแหะมันจึงรู้ไม่ได้มันจึงเป็นไปไม่ได้การปฏิบัตินะห้อยพากันเข้าใจตอนนี้ไปแล้วก่อนทําความสงบ ต่อไปจนกว่าจะสมควรแก่เวลา